3. เริ่มใส่ไม่หวั่นไหวว่าพระสงฆ์ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระพุทธเจ้าสอนก็จะเป็นผู้ไปดีถึงทมอันวิเศษคือมรรคผลถึงที่สุดทุกข์เป็นพระอรหันตะตีณาศพได้ 4. เป็นผู้หนักแน่นในศีลไม่ขาดทะลุไม่ด่างพร้อยจากโสตาปฏิสังยุตเวรุทวารวั์ที่หนึ่ง